พรธรรมเทศนาแผ่นที่98าดลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่ารอบครอบข้างนอกสังเกตข้างใน กีในหลวงพ่อเขียนตารายาให้พระมาจากลูกหลานมาจากกรุงเทพเมื่อวานหลวงพ่อไปวัดรวมธรรมเขาถวายน้ำมันเลียงผาน้น้ำมันเลียงผาสำหรับคนที่หกลม้มเส่นพิกแพง เป็นยาสมุนไพรโูราณก็ถวายมาหลวงพ่อก็เลยเกียนไปมอบให้พระแก่พวกเส้นพริกเส้นแพงหกล้มเส้นอักเสบทาแล้วหายแลว้วพอทาแล้วหายแลว้วเมื่อวาน ลงพ่อลงมาแต่เช้าตีห้าเห็นเนี่ยรถทั้าแก่ลานมันแก่ฉลาดเห็นคูบากำลังหามหามคูบาขึ้นรถคูบาใหม่เราก็เป็นอะไรวะเพราะว่าเดินเดินไปแล้วหกล้มเอพอหกล้มน่มันข้ขขอเท้าเลยมันเข่านยมันมันพิกมันแพรง่ง กลัวจะเป็นกระดูกเลยหามประคองขึ้นรถไปโรงพยาบาลนายูงไปเอ็กซเรย์ดูแล้วว่าไม่มีอะไรมีแต่ว่ามันข้อพลิกหน่อยหนึ่งนี่นะหลวงพ่อบอกแล้วเมื่อวานวันก่อนหลวงพ่อบอกวันพราบอกในครัวหนะ้าระวังหนะ้ากูบาใหม่นะกูบาทุกองค์ระวังหนะ้าช่วงนี้มันฝนตก ในวัดของเราก็โดยมากเป็นคอนกรีตก็ที่ให้เดินเดินที่ตุ่มๆ่มตุ่มตุมตรงกลางนในแถาเราให้คนเดินเพื่อไม่ให้มันรื่นเอารองเท้าเหยียบเท่านะั้นมันไม่เจ็บหรอกรองเท้าจะไปเหยียบข้างๆแล้วมันรื่นนะถ้ารื่นมาหกล้มนะถ้าหกล้มลนะาลมาเอาแขนข้ามกับแขนหักเผลอๆหัวนอกเพิร์สอีก เอาเสาเอาศอกลงไปกระศอกแขนหักอะล้มไปกลางหน้าไม่ลุกเข่าไม่ล่าข้อเท้ามือนหกลม้มมันก็ไม่ได้ระวังตัวมันเอาไม่อยู่ระวังนะต้องเดินต้องระวังพูดยังไม่จบคําแล้วกูบาดไม่ฉลองเลยนะเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นไงได้เดินตาม ที่หลวงพ่อหลวงตาได้บอกไหมเดินที่ตุ่มๆไม่คับเดินข้างนั่นเลยสิไม่ปฏิบัติตามที่หลวงตาบอกมันเป็นอย่างงไงล่ะอย่างอื่นเหมือน้นับการนะหลวงตาบอกอะไรให้ระวังเยขนาดไม่เดินตามเอที่ให้เดินตุ่มๆเดินผิดพลาดท่านก็ยังได้หามขึ้นรถเห็นไหม พอลอยลายก็เดินผิดเดินไปเหยียบที่มันลื่นแล้วก็พร้อมกันคู่บากเก่ากว่าน่าจะดูเราเป็นพระเก่าในพื้นที่คนควรจะดูพวกใหม่ๆพวกรุ่นน้องเข้ามาสู่วัดกระดุกระทั่งรองเท้านรองเท้าก็เป็นยังไงรองเท้ากขาพื้นพื้นมันแข็งไหม ลองเท้าพื้นแข็งเราก็ดูดู เ, เวลาสวมเข้าไปก็ทดสองขยับขยั บ, ยบกับคอนกรีตดูมันเกาะกันไหมมันติดไหมมันติดมันเกาะคอนกรีตไหมถ้ามันมันลืน่น เ, เราก็อย่าไปใส่พระเกา่าก็น่าจะเป็นหูเป็นตาเอออันตารายนั่นนี่ยเดี๋ยวขาหากักแกนหัก น, นั่นเนี่ย พอรองเท้าของเราก็มีอยู่รองเท้าดาวเทียมราวเท้าเนี่ยต้องเก็บไว้สําหรับพระอันไหนพระใช้ได้อย่าไปแจกหมดไม่ได้อย่างพระเก่าเนี่ยมันต้องรู้จักเก็บเวลาของอันไหนามาของของพระใช้ได้ก็ต้องเก็บจําเก็บเผื่อเผื่อพระไม่ใช่ไปแจกทั้งหมดไม่หลับหูหลับตาอันนั้นเราก็บอกพระ พระเก่าโง่เราไม่พูดว่าอย่างอื่นนะพระเก่าโง่ยังใครมาอยู่กับคนโง่นออันตรายทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะไม่รอบขอบสรุปแล้วพระเก่าดูรองเท้าที่ใช้ได้สองเท้ากี่ชั้นก็ดูๆเก็บไว้ แล้วเห็นพระใหม่แล้วว่าพระต่างถิ่นมาเข้ามาเออไม่ได้นะอันารย์รองเท้านั้นนี่เอารองเท้านี้ไปใช้ไปอรองเท้าตัวนี้เก็บไว้ก่อนเอาไปเก็บไว้ซะอไม่ต้องยึดของท่านเอกเก็บไว้ให้ท่านให้ท่านไปเอารองเท้าใหม่ให้ท่านขณะอยู่ที่นี่คือท่านจะเอาไปด้วยก็ได้ไม่เป็นไรก็มอบให้ไปเลยเวลาเดินระวังนะเดินไปตรงตุง่มๆนะนะ ที่หินมันโผล่โผล่ขึ้นมาตรงกลางนั่นแ่ะอันนั้นคือให้ที่ให้คนเดินจะไปเดินข้างๆนะมันเรื่อนนะนี่แหละอันนี้ถ้าหาว่าพระเก่านะอแนะนําพวกน้องๆพระใหม่ที่เข้ามาแล้วหลวงพ่อเลือกอย่างนี้มันของเมยน่าจะเกิดถ้าหาว่ามันเกิดไปอย่างนี้เนาะพระใหม่ไม่ฟังสุ่มซ่า มันก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันนะ่ะถึงจะบอกอย่างไงมันก็ไม่เอาไม่ไรเพราะมันสุ่มสร้างพรา ม, มเซอร์กระทามันเจ็บแล้วจงค่อยจํานึกได้นั่นแหละอันนี้แต่สรุปแล้วก็คือหลวงพ่อขาดความขาดความรอบคอบไปอยู่นักทัศถายสถานที่ใดขาดความรอบคอบไม่ดีทั้งนั้นแหละเมื่อวานหลวงพ่อออกไปตั้งแต่ ตีห้าเมื clock, clock, ่อวานตีห me ้ากกวานไปถึงวัดรวมธรรมก็ประมาณสักเกือบเจ็ดโมงนิดๆจากนั้นก็รอหน่อยหนึ่งประมาณเจ็ดโมงสิบห้านาทีออกบินทบาทตอนเช้าก็คนก็มากพอสมควรเพราหน้าฝนอย่างหวานคนพี่น้องชาวไร่ชาวนาเปลือกขราตการก็ไม่เป็นวันมิใช่วันหยุดเป็นวันทํางาน ก็คนก็มามากพอสมควรกระวางสิลาเลิกเมื่อวานท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านจากุลราชวรารางการเป็นประธานหลวงพ่อเป็นนั่งองค์ที่สองท่านอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านดรหิรันระดีสี กับลูกสาวของท่านแต่คุณนายมาไม่ได้คุณนายเป็นเวียนวึงเวียนศีสางเลยมากับลูกสาวมากับเดเซนสัญญากับน่แะแม่บ้านของเสียกิก๊กแฟนของเสียกิก๊กเซ็นสัญญาการเมื่อวานสร้างศาลาวัดปารรวมธรรมงบประมาณ8ล้านสีแสนจะใช้เวลา10บเดือน วังเสดะเลิกเมื่อวานเนี่ยตอนเก้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีานะแต่ตามจีงมันไม่ได้ตามนั้นหรอกเพราะมันเราไปมันคนมันยะคนนั้นช้าบ้างคนนี้ช้ามาบุลุมามตุ่มแต่ก็ทำพิธีทางศาสนาด้วยทางสำนักพคตธก็บอกหลวงพอ่อเออมันคงจะไม่ได้เวลาเท่าไหร่นะเออเวลาสะดวก พ่อบอกเวลาสะดวกไม่ใช่เราไม่ใช่พรามวะเราโพสแต่ทำไมจึงเอาเรื่องของพรามมาก็เพราะว่าแพรามมันมันถือมาตั้งแต่โบราณโบราณถ้าหากว่าได้วางสิ้นและเลิกแล้วแสดงว่าเป็นเลอกที่ก่อสร้างแล้วเริ่มก่อสร้างแล้วเพราะนั้นเรา ลงมือทำมาเลยโดยที่ไม่ได้ทำพิธีกรรมพิธีการอะไรเนี่ยศรัทธาญาติโยมต่างถิ่นต่างแดนด้าในละแวกนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะสร้างศาลายังไงแต่นี้เราประกาศให้ทั่วถึงให้การให้ประกาศให้รับรู้รับทราบ พ, พร้อมหนา้าพร้อมตากันเออจะได้วางคือและเลิกกันเนาะ จะได ส, สาร้างศาลาละให้ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือคนละมากคนละน้อยไม่ว่ากันเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของสมภารไม่ใช่ของเจ้าภาพมันเป็นสาธารณะมันเป็นของทุกคนนะถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองดูที่ฝนตกนี่ยข้าไม่ได้ออกเงินข้าไม่เห็นด้วย ส, สาร้างศาลาเยลยเอาไปอยู่ข้างนอกเลยที่นัห่หิห้วนั่งหิ้วคิ้วขโมยทันทีแล้พอเห็นอะไรพวกเขาไมา่นั่งศ า, าลาใช่ไหม เนีพราะตัวเองไม่ได้ร่วมทําไม่เห็นด้วยแต่เห็นด้วยอยู่แต่ข่าไม่มีเงินเออก็ไม่ว่ากันนะแต่หากว่าไม่เห็นด้วยเอไม่ได้สร้างกับเขาอย่างดูถูกเขาอีกเดี๋ยวคนไล่ออกไปอยู่นอกศาลาเวลาฝนตกนี่นเป็นยังไง เ, ออเสียความรู้สึกเพราะนั้นเรื่องวัดว่าศาสนาเรื่องศาลาเป็นสาธารณประโยชน์ประโยชน์ใช้ร่วมกัน เพราะนั้นจึงมีการวางสิลาเลิกให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นสมบัติกลางเป็นสมบัติของทุกคนนะแต่ทําไมจึงวางสิลาเลิกหลวงพ่อก็ได้พูดเมื่อวานพออยากจะให้พี่น้องรู้ศรัทธาญาติโยมรู้และต่อพร้อมเพียงสามัคคีกันให้รับรู้รับทราบนะแต่ว่าเรื่องลึกงามยามดีนั่นเราไม่ได้คิดนะ พุทธศาสนาทำดีเวลาใดทำดีครูใดขณะใดเวลาใดชั่วโมงใดวันใดอาทิตย์ใดเดือนใดปีใดปีนั่นแหลเดือนนั่นแหลอาทิตย์นั่นแหลวันนั่นแหลคู่ขณะเวลานั่นแหละเป็นเวลาดีถ้าทำชั่วกระตรงตรงกันข้าม ถ้าเราทำชั่วแล้วน่ะมันชั่วไปหมดเพราะนั้นให้พวกเรายึดแนวแถวพระธรรมคำสอนของพุทธะสมัยก่อนครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าก็าเหมือนกันลงพ่ออยู่แต่หลวงปู่ฟันขนาดหลวงปู่ฟันท่านสอนพูดในน้อยๆหหลวงปู่ครับ ผมจะสร้างอาคารจะวางเส่น้รเลิกวันไหนดวงไหนวันไหนครับที่จะเป็นมงคลมีเงินพร้อมละยังหลักพอมีอยู่ครับคิดว่าจะเสร็จได้พี่น้องหละ่ะพร้อมกันละยังอุปกรณ์การก่อสร้าง เตียมพร้อมหรือยังสถานที่ล่ะดูกันหร้อยังครับคิดว่าดูกันไว้พร้อมแล้วครับมีทหาหาเรื่อหาเรื่องหายามนะครับเอยเมื่อสะดวกลงมือเลยนั่นละ่ะเป็นมงคลนี่แหละโดยมากครูบาอาจารย์พระกรรมฐานท่านไม่ได ลึกงามยามดีท่านไม่ได้วา่าดกรุกลาดก็น่นศรัทธาญาติโยมฟังเอาไว้ถ้าหากว่าฝนตกยังนงไปยกเสาเอน็นเผลอเผล อ, อโซ่มัดเชือกมันหลุดจากเสาเข็มไปตีหัวคนตายอีต่างหากักเพราะได้เพราะว่าลึกงามยามดีเวลาเท่านั้นแต่มันเป็นเวลาฝนตกรนถะมันลื่นฮนะสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องเอาเวลาฉดกเมื่อมันแห้ง ดินฟ้าอาการเหมาะสมแห้งไม่อันตรายนั่นละทาเถอะนั่นหละเป็นมงคลถ้าหากว่าฟ้าตกฝนดินเปียงปัง้งเปียงป้างอยู่แล้วแต่มันได้เวลาจุดนั้นแล้วก็ไม่พร้อมอีกต่างหากหลายอย่างเราไปยกไปทำในช่วงนั้นอันตรายพวกเราฟังเอาไว้นะ อันนี้ก็คือเลือกงามยามดีแล้วก็พร้อมกันเมื่อวานวันก่อนหลวงพ่อก็ได้พูดนะพวกเราคนนักสัตยาญาติโฉมที่มาลูกศิษย์ลูกหาคนวัดของเราเลยแหละเวลาออกนอกวัดออกประตูไปให้ปิดประตูนะโดยมากทุกวันเนี่ยลูกศิษย์ของเรานะ่ยคนวัดของเราเห็นประตูเปิดก็แล่นวิ่งช่วยจีเกจลงรถ คี้เกียจปิดประตูวัดอก็เลยประตูวัดก็เลยเฮ็ดเซเวกู้มือนะอออกไปเวลาไหนแต่หลวงพ่อออกไปหลวงพ่อต้องปิดเนะ่ะหลวงพ่อหยุดแล้วก็ต้องปิดเจ้าของหลวงพ่อเป็นเจ้าของบ้านเป็นตัวอย่างที่ดีอพวกเราก็เหมือนกันถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ดีของหลวงพอ่อออกไปต้องปิดประตูเพราะว่าเขาเขียนไว้ปิดประตูเปิดประตูมันจะขี้เกียจลังยาวขนาดด้านเีฉาเหรอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ครัวเราเห็นหลายครั้งคนวัดต้องรักษากฎระเบียบเวลาออกไปก็ต้องปิดประตูประตูวัดหลวงพ่อเ ค, เคยอ้างเหตุผลให้ฟังฟังมารู้กี่ครั้งบางทีเห็นเต่าเดินตู้มเตี้ยมตูมเตียงไปถ้าเห็นเนนะมันก็ออกนอกวัดเขาก็หอบใส่รถฆ่าชีวิตของมันพวกเก่งพวกกระจง พวกสัตว์ป่าหลวงพ่อยังจำไม่หลืมมานตูกขานะเห็นอีกเก่งเนะท้องโยอีกต่างหากมีลูกในท้องเนะ่ะท้องมันาภาษาทางบาลวันเก่งแม่ม่านมันไปมันมีท้องมันมีท้องลูกของมันนะมันก็มายืนจุประตอยุดข้างประตูถนะ้ า, าหากว่า ไม่เห็นคนเข้ามาเนละมันก็จะออกไปลนะ่ะอันนี้อย่างดีตูข้ขาไปเห็นก่อนสมัยหนึ่งท่านก็เลยปิดเอาไว้ไล่เก่งหนีไปที่อื่นนี่แหละอันนี้มันสัตว์มันก็ไม่รู้อมันก็คงจะออกไปเปลี่ยนบรรยากาศมันจะไปออกไปเปลี่ยนมันไม่ใช่เปลี่ยนบรรยากาศออกไปตายถ่ะเรารู้ทั้งรู้เราเป็นมนุษย์เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอีกต่างหากเราควรจะคิดถึงชีวิตของเขาด้วย เพราะนั้นให้พวกเราออกไปทุกทั้งควรจะปิดประตูแต่บางคนได้ยินมากทุกวันพอไปภูก้อนแล้วก็วิ่งรถผ่านมาประตูปิดเหตุเพราะประตูปิดประตูไม่เปิด mm hmm. เขาเลยไม่เข้ามาเออแสดงว่าเขาไม่มีวาจนาะไม่มีบุญบุญของเราไม่ถึงเขาขา่บุญเขาไม่ถึงเราไม่ว่ากัน คาฮาว่าคนมีบุญก็ต้องลงมาดูว่าเขาปิดเพื่ออะไรทําไมเขาจึงปิดคาฮาว่าเขาไม่ลงมาปีนผ่านไปเราเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกเราก็ยิ่งเงียบๆ ย, บยิงสงบ อ, อีกวัดป่ายิ่งสบายต่างหากไม่ใช่หรอวันนั้นให้พวกเราทุกคนนะได้ออกไป พยายามปิดประตูนะหลวงพ่อบองๆวันตั้งแต่งานตั้งแต่งานสร้างศาลาข้างนอกมาเนะี่ยประตูวัดเพอเผยยังมีประตูข้างนู้นอีกยังเปิดอีกหลวงพ่ออากำชับแล้วละ่ะให้พระท่านดูแลรักษาประตูทางสะพานป่าช้าอีกใส่กุญแจนะถ้าไม่มีจาถ้าไม่จำเป็นอย่าให้คนผ่านทางนู้นไม่ได้นะประตูวัดหลายข้างไม่ดี นี่แหละอันนี้ก็คือความรอบครอบความปล อ, อดภัยของวัดหลวงตาท่นานกษัตรสอนนะท่านบอกว่า น, นี่แหะประตูวัดต้องปิดเห็นมันประสาทไปที่ไรประตูวัดท่างปิดทุกวันนี้คือยังปิดอยู่เพราะถือยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงตาหลวงตาสั่งสั่งนะพราะมันบางทีสัตว์ออกจากว่า ท่านว่าเห็นไหมขนาดแย้ตัวแย่เป็สัตว์ที่ทะฉานแท้ๆเวลามันเข้ารูแล้วมันยังปิดประตูมันประตูเอาดินขึ้นมาควัดคต ด, ดินมาอดุอดอดัอดรูมันไว้อีกสําหรับไม่ให้พวกงูไม่ให้พวกตะขาบเข้าไปเบียดเบียนมันมันก็ยังอดัอดอัดรูมันไว้ เราเป็นพระเราเป็นมนุษย์เราเป็นพระเนยมันไม่รู้จักปิดประตูบ้านประตูเรือนประตูวัดของตอนเองมันกินยิ่งแย่กว่าแล้แย่เละทันวันดวงตาทันสอนพากนะเนี่ยแหละอันนี้ก็คือความรอบคอบสาหรับพระรูกคนอยู่ในวัดไม่ใช่ว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วยังคอยประเตอรประเตีเอเอพูดอะไรขึ้นมา มันหน่าตำหนิสรุปแล้วคือขาดความใส่ใจขาดความรอบครอบไม่ใช้ฉติไม่ใช้ปัญญาในการอยู่เป็นมนุษย์ไปอยู่นสถานที่ใดต้องดูป้องกันตนเองรักษาตนเองรักษาให้จุดสุดความสามารถล้วเองกตไม่ว่ากัน เราก็ต้องทิ้งส่กรรมในอดีตชาติกรรมของเราเราเคยทำกรรมไม่ดีไว้ในอดีตรเราเคยไปเบียดเบียนเขามาในอดีตเขาจึงมาเบียดเบียนแล้มาลังแกร เ, รเราเราคนมันก็สุดพิสัยพอเราทำดีที่สุดแล้วแต่นี่กตัวเองเงอะเงงๆเงเฟ้อฟ้าๆลืมหน้าลงหลังไปอีก ขนาดโทรศัพท์ราคาเป็นหมื่นเป็นหลายหลายหมื่นยัไปแห่ทิ้งผลในสตรเขาก็เลยเอาไปโอ้โอโอโกรรมตั้ว่ากรรมได้ยังไงตัวเองไม่หลอบผอบเนี่ยของราคาถูกของราคาแพงเราต้องรู้จักต้องใส่ใจถ้าเราจะสติของเราไม่ดีของ เราคอชอบลืมบ่อยแล้วก็จะไปหาใช้ของแพงเลยมันเสียใจายมากมันใช้ของแพงมันก็รอบครอบอีกเหมือนกันเราจะไปใช้ทำไมของแพงใช้ของพอใช้ได้ก็พอเราราคาถูกๆเอาเพล่เพลอของเก่าเข้ามาใช้อีกต่างหากมันเสียไปเราก็ไม่เสียดายเรพราะเหตุอะไรเพราะมันเป็นของเก่าออานี่ก็รอบคอบกับเจ้าของอีกต่างหากอย่างองค์หลวงตามหาบวชทุกวันมันลืมเท่านนัะ้ เวลาเข้าไปในห้องเนะมื่อเข้าจะไปหยิบเอาของนะันเมื่อกลับมามันก็ลืมอีกแล้วเข้าไปอีกไปจับเออบางทีครั้งสองครั้งจึงหยิบเอาของมาได้มันมันลืมพอไปเห็นพอเข้าไปเราไปทําอย่างอื่นซะออพอเห็นอย่างอื่นมันมีอยู่ไอ้ออจุดที่ตัวเองอยากจะได้มันลืมกอดออกมาได้แต่ของที่ไปเห็นต่อหน้าออกมาเออเราเข้าไปเอาของนะั้นทำไมวะกลับไปอีก นั่นแหละท่านวานมันขี้ลืมนะทุกวันนี้นะเนี่ยโอ้โหลวงตาท่านสั้นสอนแต่ทุกวันนี้อันไหนมันจะลืมพอได้รับขอมาอันไหนมันจะลืมโอ้ไม่ได้แล้วถ้าเอาไว้ดีมันลืมนะเนี่ยต้องเอาไว้ใกล้ๆตัวเองเอาไว้ที่มองเห็นได้ไง่ายๆหรือว่าใส่ถุงให้เป็นสั ญ, ญลักษณ์เอาไว้ของนีเราจะเห็นได้ง่ายล้วก็ใส่ไว้อันนี้คือ ใช้ความรอบครอบกันลืมนะใช้ความรอบคอบเพ้กันลืมเนี่ยแหละเพราะตัวเองรู้อย่างมันจะลืมไปความลืมเนี่ยใครรับประกันได้เมื่อไหร่ข้าพเจ้าจะรับประกันไม่ลืมเนี่ยมันไม่มีหรอกไอ้ตัวรับประกันตัวลืมอีกตัวต่า ง, งหากเนี่ยความหลงลืมความคำเล่นแต่ถึงอย่างไงก็ตามสรุปแล้วถก็ให้รอบครอบ ก่อนที่มันจะถึงจุดลืมจุดนั้นอันนี้ก็คือหลวงพ่อพูดในเรื่องความเป็นอยู่การเป็นอยู่ชีวิตประจําวันตั้งแต่การหกล้มมาเราต้องดูลองเท้าของเราอีกต่างหากรองเท้าของเราหน้านี้เราจะใช้รองเท้าคู่ไหนที่มันเกาะกับปูนซีเมน้างรองเท้าคู่ไหนที่มันพื้นแข็งๆเอาไปใช้นะถ้ามันหกล้มขึ้นมาคานแ ถ้าหักแขนหักหัวนกพื้นนะมันมันมากกว่ารองเท้าในเสียดายเสียดายเงินซื้อรองเท้าคูนั้นอีกต่างหากอจ่ายเงินไปเท่าไหร่เพอเพื่ อ, อ, อมันไม่ตายง่าเยเลยชีวิตทั้งชีวิตเป็นอมภพอมาพาตไปอีกต่างหากสรุปแล้วก็คือขาดความรอบขอบนั่นแหละมันเป็นสิ่ทั้งหลายทั้งปวงนะเราต้องเออ บวกลบคูณหารอันไหนกำไรอันไหนขาดทุนชีวิตของเราแต่พูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อก่ระวังเหมือนกันนะไม่ใช่หลวงพ่อไม่ระวังเอาความในใจของหลวงพ่อนะ่ยมันรูปพูดให้ลูกให้หลานให้คณะจัทดทาญาตโยมได้ฟังถ้าหลวงพ่อไม่ปฏิบัติอันนี้นหลวงพ่อจะคิดได้ยังไงใช่ไหมล่ะหลวงพ่อคิดได้แล้วเนีจึงไดเอามาพูดให้ลูกหลานฟังแนะนําคิดว่าคิดถูกอีกต่างหากทาถูกอีกต่างหาก ยังไงเอามาให้พูดให้ฟังถ้าพวกเราไม่เชื่อก็ไปการกองเอามือกายหน้าผากคิดดูซิหลวงพ่ออินพูดผิดแล้วพูดถูกว่ะห <c oughs> ลวงพ่อจะมั่นใจนะลูกหลานนะจึงไดเอามาพูดให้ลูกหลานฟังยังไงก็ให้พวกลูกหลานพระเนรทุกองคหน้าปฏิบัติตั้งใจภาวนาฝนตกลินพรำๆอย่างนี้แหละภาวนาดีมากนั่งภาวนา แท่านจะนอนก็นอนดีมากเหมือนกัน่ฝนตกนะแต่จะนั่งภาวนาก็เย็นอากาศเย็นสบายการภาวนาบางทีก็จิตสงบได้ง่ายบางคนนะบางคนก็สงบได้ง่ายบางทีก็รู้ไดเร็วอย่างหลวงตาพูดฟังเทศของหลวงตาคิด ป, ปะพิญญาพวกรู้ได้เร็ว ทันธาพิญญาผู้รู้ใรช้าสุขขาปฏิปทาคิ ป, ปะพิญญาสุขขาปฏิปทาทันธาพิญญาทุกทุกขาปฏิปทาขิปาพิญญาอันนี้คือเป็นภาษาบาลีแต่ถ้าเราแปลแปลเป็นภาษาไทยว่าสุขขาปฏิปทาขิ ป, ปะพิญญา สุขขาคือการปฏิบัติธรรมอยู่แบบง่ายๆดูแบบธรรมดาธรรมดาแต่การภาวนารู้ได้เร็วทำจิตใจให้สงบได้ง่ายอันนี้ว่าสุขขาปฏิปทาคิดปะปิญญาคิปปะแปลว่าเร็วรู้ได้เร็วแต่ปฏิบัติสะดวกสบายแต่รู้ได้เร็วแต่ว่าทุกขาปฏิปทา คิปะคิบะพิญญาก่อนที่จะได้จิตใจสงบก่อนที่จะภาวนาจิตใจสงบนั้นนั่งภาวนาจนเหงื่อแตกเหงื่อไหล น, นั่งเป็นชัช่วโมงชั่วโมงจนขามันจะขาดเลยนั่นสู้กับมันคือเป็นทุกข์มากแต่จะนั้นจิตใจเข้าสู่ความสงบเย็นแน่วเน่งเป็นที่พอใจเออสําเร็จสมความมุ่งห ม, มั่ปรารถนาในระดับเป็นระดับระดับไป อันนี้ประวัติทุกขาปฏิปทาอคิ ป, ปะพิญญาอปฏิบัติลําบากแต่รู้เร็วแต่บางคนออทุกขาสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าเออระเหยไปเรื่อยๆแต่รู้ได้ช้าอันนี้ประวั สุขาปฏิปทาทันธาพิญญาเนี่ยมันตรงข้ามไปอย่างนั้นคณะท า, า, ายาตหยวงพระเนรลูกหลานแต่ใใครจะรู้ตัวของเรายิ่งกว่าตัวของเรานะไม่มีใครจะรู้นะเราต้องสู้ทุกอย่างแบบทุ ก, ทกขาปฏิปทาเนี่ยดูซิสุขขาปฏิปทาดูซิเราต้องดูเราอันไหนถ้าเรา สุขขาปฏิปทาโอไม่ใช่ป่ะ เ, เราทําแบบสบายเท่าไหร่เรายิ่งจิตใจของเรา ย, ย่ําแย่ลงไปเรื่อยๆยิ่งกิเลส ย, ยิ่งย่าแย่หัวใจของเรามากขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ปฏิปทาของเร า, เ, าเราต้องเอาแบบทุกขาปฏิปทาเลยสินี่แนหะต้องอดนอนบั่งพรอาหารบาั่งเดินจงกรมบั่งนั่งภาวนาให้นานบ้างอันนี้แปลว่าทุกขาปฏิปทาแต่เราจะรู้ได้ อันนี้ว่าเขารู้ได้ทุกขาปฏิปทาคิประพิญญาเนี่ยเราให้พวกเราสังเกตตัวเองเท่านีุ้กขาคําว่าคิประพิญญากระทันทาพิญญารู้ได้ช้ารู้ได้เร็วถ้าว่าพวกเราปฏิบัติสังเกตตัวเองอย่างนั้นแล้วนะเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติของเรา แต่บางคนอย่างหลวงตาที่ท่านเคยพูดว่าบางทีอดอาหารบางทีอดนอนอย่างเตระสะทุรงสิบสามเนชชีิเยไม่นอนการไม่นอนบางองค์ก็ถูกกับจริตไม่นอนโอ้ดูสิว่าอดนอนรูสิว่าค่องแค่สมองปอดโปร่งท่านนั่งภาวนาการอดนอน เป็นวันเป็นคืนอดนอนได้อันนี้ก็คือมันถูกกับเจริศแต่บางองค์อดนอนไม่ได้พออดนอนเข้าไปอแผนดินไหวตาเหลืองเข้าเลยแต่นี่ยง้อข่วงเข้ามาคิดอะไรไม่ออกเอเพ้อเพ้อจังจะไปชนต้นไม้อีกต่างหากได้ถึงโกมก็สุดท้ายยังโกมแล้วก็ยังจะเดินต่อไปอีกเพราะอะไรเพราะว่ามันง่วงอันนี้แปลว่าใช้ไม่ได้ อันในการอดนอนแต่ถ้่อดอาหารไปยังไงถ้าอดอาหารพอด อ, าารอดอาหารเข้าไปแล้วโอ้โหมันแสบท้องทุลนทุลายหิวอาหารทั้งคืนจิตใจปั่นป่วนหาความสงบไม่ได้มันทุกข์มากมันอดอาหารจิตใจมันไม่อยู่กับเนือ้อกับตัวเลยเพราะมันหิวอันนั้นแปลว่าใช้ไปได้ในการอดอาหารอันนี้ก็คือการ การสังเกตตนเองแต่บางคนอดนอนเอนั่งภาวนาได้ดีจิตใจเงียบสงบได้อันนั้นเราถือกับการอดนอนบางที่อดอาหารว่าเราอดอาหารแต่ก่อนเราไม่อดอาหารเราภาวนางโง่ห่วงเราฉันอาหารอิม่มอะไรยิ่ยงนอนมากอ่ะท้องตึงขึ้นมาตาตาเปือเลย มือลืมหูลืมตาไม่ขึ้นไม่แต่ง่วงความง่วงง่วงวเราเราก็ให้สังเกตเอ๊ะมันง่วงเรยพอเราฉันอาหารมากเกินไปหรือเปล่าแล้วกวนกับผ่อนอาหารลงเอหรือลดลอ ง, ล อ, งอดอาหารไสิสามวันเจ็ดวันสองสามวันอดดูจะเป็นยังไงกดอาหารดูพออดอาหารอูใช่จิตใจของเรายกระดับเลยความง่วงหายไปหมด แต่มันก็ไม่ถึงกระหเออดทนได้ไม่มีหิวอดอาหารวันสองสามวันไม่หิวนะหลงพอนอดทนอู่แล้วไม่หิวจากนั้นก็ลองภาวนาภาวนาไม่ง่วงในตังหะเอออันนี้มันถูกกฎจริตลราเราต้องเราต้องอดอาหารการภาวนานี่แหละอันนี้ให้สังเกตตัวเองอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าทําอันนี้ก็ทําซื้อบือ้อซื้อบื้อไปเหมือนกับคนเออ ไปขายกาแฟฝนตกฟ้าลงฝนตกไม่มีแต่เพราะเคยขายเอากาแฟไปตั้งหม้อขายจะมาใครจะมาซื้อจะมาล่ะเพราะหลุอเพราะว่าไม่มีคนมันฝนมันตกเอเราก็ต้องดูสังเกตอันไหนช่วงไหนที่คนจะมาเราจะได้ขายกาแฟอแล้วก็ไปตั้งโต๊ะในจุดที่ช่วงที่เราจะได้ขายบางที่ก็ผิดบ้างถูกบ้างมันก็ยังดเีเป็นเราสังเกต แต่ทางว่าซื่อบื้อซื้อบื้อทุกวันนะั้นตัว่าเจ๊งแน่ๆนะพวกเราทำข้างหลายนะการปฏิบัติธรรมก็ต้องเจ๊งอีกเหมือนกันเพราะความไม่ก้าหน้าเพราะความไม่ก้าวหน้ากระบนพื้นพรมบุมพรมแล้วไงปฏิบัติหมอนมนอนเนี่อข้าไม่เห็นมันก้าหน้าแล้วใจของเรามันเป็นยังไงวะคิด ดูนะทอแท้อ่อนแอปวกเปียกในจิตใจคอะเพราะว่าไใจของเรามันถอยหลังแหอบางทีมันมันถอยหลังก่อนมีได้เบิ่งเมื่อกีปีนเขาใช่ไหม ป, ปีนปีนไปมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันไปเห็นก้อนเห็นชิ้นชาก็าต้องถอยหลังเอถอยหลังเพื่อเพื่อพักผิงซะก่อนหากําลังซะก่อนแต่แตัวเองเนี่ยพอถอยแล้วถอยเติร์ดเปิดเปิงเติร์ดเ ป, งงเ ป, เปิงเปิดเอ ขอให้จมุมั่นจนเล ย, เลยที่เก่าอีกต่างหากยที่เราจะขึ้นไปอันนั้นแปลว่าหมดกําลังใจแต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าเราปีกําลังใจเราเดินขึ้นเขาเดินเดินขึ้นไปอันนันอนสมมติว่าจะเดินขึ้นกุฏิลูกพ่อแต่เราเดินจากซาลาไปมันก็เป็นเดินเดินเขาพอเดินก็ไป้องทำไป ม, มันเหนื่อยแะ้อ่า เราไปถึงเครื่องทางเราไปถึงจุดใดจุดเนึ่งแตเราบโอ้ตายเราขาดทุนมากเออเราก็ต้องนึกย้อนออถ้ามันเราถ้าถ้าเราอยู่ศาลาล่ะเ อ, อเราไม่เดินมาเลยมันจะถึงมามันจะมาถึงจุดนี้ไหมที่เรามาถึงจุดนี้นะ่ะมันกับมันก็ใกล้แลนะ้วเออท่านนึกย้อนหลังดู ถ้าคนไม่นึกยอดหลังก็ว่าขาดทุนในว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าพวกเราปฏิบัติธรรมตั้งแต่ไม่เคยเข้าวัดมาก่อนเป็นคนทํามาค้าขายทํามาหาเลี้ยงชีพไม่เคยเข้าวัดมาก่อนไม่เคยได้ยินครูบาอาจารย์เทศไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยนั่งภาวนาไม่เคยได้ยินกรไม่เคยรักษาศีลไม่เคยทําบุญทําทานมาก่อนแต่บัด น, นี้เราทํามาถึงขนาดนี้ มาถึงขนาดเราขาดทุนเราจะกลับไปทําอย่างเก่านะสมัยก่อนที่เราไม่มีอะไรเราจะไปทําอย่างนั้นแหละไม่เข้าวัดเข้าวา่าถอย ห, หลังไปอย่างนั้นเราเนื้อตู้ที่เราเนื้นย้อนหลังเรามายืนอยู่จุดนี้กับจิตใจสมัยเมื่อเรายังไม่เคยเข้าวัดนะเป็นอย่างไรถ้าจิตใจของเราก้าวหน้าพัฒนาไปเยอะรู้จัก สิ่งควรไม่ควรรู้จักการประพฤติปฏิบัติของตนเองรู้จักการวางตัวรู้จักสิลรู้จักทำขึ้นมามากก็จะแสดงว่าเราได้กำไรกำไรชีวิตของเราได้แต่ถ้าว่าเรามาอยู่จิตนีเ้เราเนื้อตื้อจอนใจยิ่งยําแย่กว่าสมัยยังไม่เคยเข้าวัดเลยใจของเราเนี่ยทำไมหดหูทำไมยิ่งกว่านั้นปีปอันนั้นแปลว่าขาดทุน ไม่ต้องถามใครนะตัวเองขาดทุนนะไม่ควรจะเดินหน้าต่อไปเพราะมันขาดทุนนะกลับไปหาที่เกา่าจ้ะแต่หลวงพ่อเองมั่นใจมั่นใจทุกคนที่เราเข้าสู่วัดวาศาสนาการปฏิบัติจีตปฏิบัติธรรมของเรา่ะเราคิดว่าเรากิงจะยากจากอยากจะก้าวกระโดดอยากจะรวยจนเกินไปท่านเองก็เลยเราทําให้เราท้อแท้จิตใจ เราท้อแท้ใจแต่ตามมจริงเราได้กําไรมาอยู่เก็บเล็กผสมน้อยมาเรื่อยๆมาถึงจุดนี้แหละท่านนึกย้อนหลังท่านนึกย้อนหลังดูแล้วเราได้กําไรพอสมควรมากพอสมควรชีวิตของเราแต่นี่เราอยากจะก้าวกระโดดอยากจะได้มากกว่านี้ก็เลยทําให้จิตใจท้อแท้เผลอเผลอจึงจะผูกคอตัวเองตายแต่หากว่าเจ้าของเดินไม่ถึงจุดนั้น นี่แหะอันนั้ก็คือความโง่อีกจุดหนึ่งอีกเหมือนกันให้พวกเราสังเกตตัวเองนะที่หลวพอพูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะเ่ราะนั้นให้พวกเราสังเกตดูเมื่อเรามาอยู่จุดนี้เราได้กําไรได้ขาดทุนในการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราไม่ว่าเรื่องศีลไม่ว่าเรื่องสมาธิไม่ว่าปัญญาที่จะก้าวไปสู่มรรคผล น, ผนิพพานตามแนวแถวของเรียะอเพณีของพุทธะ หลวงพ่อบั่นใจว่าพวกเราเดินมาไกลพอสมควรถ้าเปรียบเทียบกับสมัยเมื่อเรายังไม่ยังไม่เข้าวัดยังไม่ได้สนใจธรรมะนะอันนี้หลวงพอ่อชีนนำให้ชี้แนวทางให้พวกเราได้สังเกตนะต่อเ น, นี่ไปกับรับพอนนะทีนี้นะฝนกำลังเล่งมาเรื่อย